ในพลั้างใจพวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรนิยาโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ừ, ทุกๆคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้ก็มีพระทางปักกลางปักใต้มาร่วมกันหลายองค์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 ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นมัสณวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายในเจ้าการจะมาอบรมบดมนิใจกับผมนั้นก็ดีแจว่าก็ช้าๆนานๆก็ให้ใช้ขขกันแต่ว่า ทางวัดดีทางการบางแห่งจะจ้างอาคาร ส, สักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยมีทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ระจวดดูว่าตรงคนไปช่วยหรือไม่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 การประพฤติปฏิบัตินี้สมัยนี้มีหลายอย่างหลักการได้วิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักสดาดก็ตามันเถอะมันมีรากฐานจังอยู่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 ปฏิบัติเยบัตบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทำแต่สิ่งที่มันมีบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดยุทถูกก็ไม่ไดูเรื่องมีมืฟอรู้ทั้งหลายดูแล้วก็จะไม่ไม่ได้ปฏิบัติ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 เราไม่มองเ ข, ข้ามาทางในเรามองไปทางนอกเสียเช่นว่าปฏิบัตินี้เรารู้ว่ารามานั่งรวมกันนั่งดับตาแล้วปฏิบัตินะก็เดิน จ, จงกลมเนี่ยใ น, น, นในปฏิบัติถ้าจิตรับอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติ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 ถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้เช่นว่ากายเนยวาา่าใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจคือ ท, ทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไป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 พระอริยบุคคลชั้นจาตั้งสงนั้นคือใครคือใครคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่นันเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโซดานี้ก็แปลกจากพุตุชนเหล่านี้เปลี่ยนจากพุทุชนเราโซดาสกิทาคานาคาสัลหัน ก็คือคนคนเดียวนั่นเองนะแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จาักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วจอยู่ตัวสมองอสมยไปเรื่อยๆมัมาา น, นไ ม, ไ ม, มีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทําไมมันมีอาการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จัก กำนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปวิทธบศาตร์มานี้เราได้อะไรมาบ้างไหมหรือเรามีอะไรเสียบ้างไหมน้อยองค์ที่จะคิดเมื่อเราเรลนขึ้นมาจากท่าน้ํานี้ มาถึงสรานี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมยี่มีอะไรเะโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไม่พูดเป็นประโยชน์ไม่คิดเป็นประโยชน์ไหมไปไตรวจดูไห ม, ม, ไหมบางท่านบางองค์ไม่ได้ตรวจดูจเพราะว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จั ก, กว่าเราปฏิบัติ เราเรินมาจากท่าน้ำลราลงอาบน้ำเพราะอะไรเพราะมันขาดสติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดสติก็เพราะว่ามันไม่นวัดนวังไม่สังวรสังรวมให้เขยมแข็งการปฏิบัติที่เนินช้าเกินไปวิชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะ เมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิทะบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่ององื่นมาพูดไอ้มันเคว้ไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเคว้ไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันไดยเกิดเป็นการคุกคีกันไปในตัว ลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัติมีนาท่านทั้งหลายนะท่า น, ไ, น, นะานไมคุกครีเดือดใครแต่นั่นนะถึงแม้ท่านจะนั่งอยู่ในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกครีถึงแม้ท่านจะพูดเดือดท่านก็ไม่คุกคลีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ถ้าผู้มีความรู้ในการปฏิบัตินั่นก็ การเยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทําไมมันพิเศษสบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของท่านทุกดียาบทอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นม า, มามก็มีความรู้สึกคติคือมีความริสึกได้อยู่รอบอ มื่มีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวเกลียวเนื่องกัะไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์ น, นั้นเหมือนกันก็นมาม่วงใบหนึ่งคือมันมีทั้งเปรีย้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมาม่วงใบนั้นเ่เข้าไปในทบาลปากของเราอ่ะ ไอ้ความปรืย้ยวไอ้ความหวานนั้นน่ะมันจะรู้สึกพ ร, กออรก้อมกันเลยไม่มีอันในก่อนไม่มีอันในหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้ว้งว่าไอส้สตินี้ที่มีรอบแล้วไม่ผิดไม่ผิด คือ ท, ที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริเจ้าจึงไม่มีการผิดไม่เห้ปรับอาบัติพระอริเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันพ้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้ัเองเพราะท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่าน ภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันเป็นรู้แต่ยากเเกิดให้ปรกท่านทั้งหลายต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองเป็นพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกริยาบทการปฏิบัตินั้นก็คือมีความรู้สิกอยู่ทุกขณะ จะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจะ่าอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติตั้นมีความอายะให้มากอายกลัวการเพียรนาถึงการพิดปฏิบัติให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่า น, นั้น ่ก็หมดแล้วเรื่องพวีัยหมดแล้วถ้าคนมีอายมีกลัวแล้วก็หมดเรื่องแล้วนะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังบอกมีการสังรวมเมื่อมีการสังวานเมื่อมีการสังวานมันก็เกิดความรู้สึกเกิรู้สิ่งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมานั้นีน่ มันจะอยูในคณะอันใด น, นั้นก็รู้อยู่ดีขนาดท่า น, นจึงมีความสบายเพราท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเราน่ะชอบมันเป็นนิสัยเก่าจะ ต, ต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่านี่มันยากมันลาบากมากที่สุดมีเคยพูดกระตลกตะนองแล้วเคยพูดเล่น นี่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างแก้ตัวระยะสมบากนี่อย่างยาวคือเป็นระยะระยะคือการถือการในพูมเป็นวัดช่วงขณะช่วงเวลาจัดต้องทรมานมบางคนก็ว่า ยิ น, นน้อยนอนน้อยพูดน้อยกทรมาณเป็นอาจะกิรามัฐานโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องป่อยให้มันสบายสบายรู้ไหมว่าอาจะกิรามัฐานโยโคคืออะไรไม่รู้ผ้เกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปลาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอาจะ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 ถึงยากถึงลําบากเขากระทำอยู่เรื่องการยากเรื่องการลาบากนั้นเราจะไปขี้ระเป็นอัตตะกิระมัทฐาโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้ า, จาของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิระมัทฐาโยโคมาแล้วท่านจึงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติแนี้มันเป็นอย่างไร ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอัจฉริรมัทานโยโคท่านก็ไม่รู้จากทางที่ถูกที่ผิดแล้วการบรรลุกรรมนการโยโคนี้ทำตนมีความสุขเท่านั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วทะนั้นเ ผ่านมาเนี่ทํานเพงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพวกถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเ ว, กวลานี้นะมันต้องสัตเซไปตามบัตตาสงสารู่เสมอทุกอย่างอยู่ในบัตตาสงสารการกระทำอยู่ในบัตตาสงสารนั้นเจ้าพุทธเจ้าจงกระทำอยู่ทีนี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นบัตตาสงสาร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 เราเป็นผู้มากน้อยในการนุ่มขมในการใช้บริการต่างๆทุกอย่างสรารพัุอย่างพระพุทธเจ้าเข า, เาให้เก็บกรรมให้รู้จักรู้จักประมาณขึคิดว่าในวัดนี้ในวัด น, น, น, น, นี้เราเที่ยงไงน้ําใช้อยู่ที่ไหนน้ําฉันอยู่ที่ไหนเนื่อหากว่าคนผู้ฉลาดเขาในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้นํามีคนใช้อย่างไร ควรใช้ในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนทุกในการขบฉันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันท่านก็พยายามให้ไู้จักประมาณพอสมควรอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทำไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหินี่มากจริงๆม่อก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแล้ว ลำบากแก่คนอื่นเ้าลำบากแก่ตัวของเราด้วยเรื่องบริการต่างๆนั้นก็เหมือนกันถ้าไม่มีเป็นผู้มีบริการมันน้อยเพราะอะไรมันไม่ยุ่งงีไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจางอยตาปากแล้วก็มีขามีปีกแล้วก็ินไปนี่ คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไมา้ต้นนั้นก็บินไปทางสี่ทางหางทางเท้าก็ไปห่วงต้นไม้ตัวนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายมคมเรามานะปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมพูดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวของเจ้าของ น, นี้เอง แต่คนนี่มันสำคัญอย่างไงนนะ่ะทูมาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามบ้านตามที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยอย่ามาทําสกระปรกนะอย่ามาตัดเสียตรงนี้นะอย่ามาทิ้งกระราดาษจะถึงไหนยิ่นไปทิ้งเสดตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดตรงมีหน้นาปิดไปแลนะ้วยามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง เราพูดปฏิบัตินี้ก็มันกักเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้นเมื่อบวชพมาปฏิบัติแต่มันอยากมากเหลือเกินยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าะถ้าพูดตรงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำให้ตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายๆนะเป็นบ้าอืมให้มันเป็นบ้าใ่ แต่วันหลังเราค่อยๆรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอความอยากขณะให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราไม่รู้เรื่องของมันมันเป็นขึ้นมาทุกอย่างคือเจดีย์ที่มันฟูขึ้นมา มันฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นทาระพันอย่างให้เรานึกให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากขึ้นมา้ายตาตางซึ่งเรามองเห็นมาเป็นตัวกิเลสแท้ๆให้เห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างอืมพิจะน่ายากลําบากนี่ฉะนั้นพวกเราอยู่ในป่า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 ตามธรรมราของคนเราก็จองว่าเมื่อมันสุขใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันตองสลับทับท้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอัตตะจิรมาฐาริโยโคกามะทุกามิการิโยโขอยู่นั่นเอง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 ปกติของคนต้องเป็นอย่างนี้ mm hmm. เราไม่เคยได้ดึ้ถึงที่เราขวดมูลกันนราปีิตามตีโจขัง้งในความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกตัวนี่ลืมไปมีแต่ขวดกันไปทังนั้นเอื้อามามันเกิดขึ้นมาแล้วเอามาใช้ในทันไม่ทันท่วงทีเพราะอะไรเพราะเราเผลอไปเราไม่มีสติ มันมีสติไต่อย่างอื่นมันมีสติเหมือนแมวเหมือนสุนักเหมือนหมูอะไรไปนั้นนะเหมือนสติระชานนั่นไอพวกนั้นมันก็มีสติเหมือนกันเนี่ยมันรู้จักมันมีสติถ้าพูดถึงเรื่องสติมันหลายซับซ้อนอืมเพราะในภายในจิตของเรานี้มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแต่งขึ้นมา แล้วเกิเอดอารมณ์ขึ้นมาที่เราชอบใจนั้นมันสุขเราก็ชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมราจะคุบทั้งสองอย่างสุขเกิดขึ้นมาก็จะคุปเก็บมันไว้นะทุกเกิดขึ้นมาก็จะคุบเพื่อจะเวียนเขาไปในป่ามันจะคุปถึงนั้นละเอะอมันด้รูเรื่องมัน หากว่าเรารู้เรื่องมันเราไม่จะคุบมันไม่จะคุบเพราะว่านี่มันเป็นพิษด้วยแล้วมันตะคุกมันมันกัดเรามันกัดเราทุกเกิดคือมากรู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกเกิดคือมากรู้ว่ามันคนมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่จะคุบได้ปล่อยมันไม่ย่างนั้นทุกเกิดแล้มันก็ดับไปทุกเกิดต้ก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นก็ไม่มีอะไร ถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุขก็จะมาดลบไปตะคุบ ม, มันจ้ะว่าอันนี้สุขของฉันเมื่อทุกข์ก็จะมาก็ไปตะคุบ ม, มันจ้ะร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุขมันก็กัดเอาทุกข์มันก็กัดเอาทั้งนั้นเลยแต่ธรรมราชิตใจของคนเราแล้วจงเอาสุขทุกข์ข้าไม่เอาชอบใจค่าถึงเอาไม่ชอบใจข้าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุ เ, เกิน ถาคิดยังเกินอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนถองไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเถอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปไปแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์จะหาที่ประพฤ่งปฏิบัติยังไงก็ไปเถอะนี่เดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะ่ะชอบอยากจะไปตรงกันมันคิดอยากจะไป ไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้นไป น, นัป่นไปนี่มันไปที่เยยมันไล่ให้ไปไม่รู้อะ <c oughs> ให้ไปอยู่ไอความเป็นจริงนั่นเรื่องว่าทุโลงวัดทุโลงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งบุคคลทำในายากเป็นข้อวัดของพระอริยะบุคคลโดยตรง ทคำที่ว่าทุกดงนั่นนะไม่ใช่ว่าการตะพายบาดแบกต ด, ดเดินเหินไปไม่หยู่อันนั้นพวกทะลุดงดงนี้ก็มาอยู่ดงนั่นก็มาอยู่ไปด้วยเด็กก็ทุกไปทุกดงไอ้ความเป็นจริงที่ว่าทุกดงนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติทุกดวงทรายมีสิสามึอะไรกันบ้าง การอยู่ป่าเป็น ว, วัด น, นี่ก็เป็นทุงอยู่แล้วการชันกินทบาตนี้ในบาตรนี้เทียยวในบาตรนี้ก็เป็นทุรงอยู่เนี่ยถือป่าพบกรุณก็ทุงอยู่แะ้วเยี่ยมป่าช้าก็เป็นทุงอยู่แนี่หลาย it หลายอย่างทุรงคือการปฏิบัติที่ไหนเราอยู่พอสมงรแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารขึ้นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้ตาเปลี่ยนท่าน ท่านแกความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริขารอาหารไม่สมู์ก็อยู่ที่นั่นประดงควรก็เพราะว่าเรื่องเรื่องครบเรื่องฉันนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เงื่อนตันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเว็กของผู้ ป, ปฏิบัติไม่วุ่นวายและสิทนทางลหยเหล่านั้นมากให้เช็นยาปรามัดไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริขาร ไม่ไปเพราะปัจเจกีไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์ในความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะเออ ม, มันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันมันเหมาะสมของมันเท่งนั้นแหละอยู่ที่ไหนเนี่ยชู้ดวงนี่เป็นเครื่องขัดเกา่าให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบงออกให้มันน้อยแบงใบแดงไปจนมันน้อย เหลือแต่น้อยจนมันก็จะมันจะหมดไปหมดไปคิดว่าทุโลงนี่คือข้อปฏิบัติเราอยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วธุโลงมีพอแล้วอย่างนี้ออฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูเลยยากนานรู้เพราะว่าอพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่า การปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรใีกรารปฏิบัติอะไรอย่างเดียวก่อนอวัดจ้องประพงพาขวัดวัดพาพาพาขวดวัดบางทีอุปกรณ์คุติสรามันรื่อมันร้างไปไปช่วยกันทานั้นนี้สิรป่ามันมันมันเป็นทางบุญแต่ความจริงๆนั้นนะไม่ต้องไปใ่ไหนุบ เดินเข้าป่านี้เราควปฏิบัติทางนั้นนะือเราเคยมองดูหนามไหมมองดูอัศรพิษไหมเคยมองดูเขาตอไหมเคยมองดูน้ําอะไรต่างๆไหมนั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็จ้องปฏิบัติไม่ใช่ดรารินโผงโผงไปทีเดียวดองเรื่องปฏิบัตินี้อยากเข้าใจอย่างนั้นมันไกลเรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวลา และการเวลานั้นเป็นการไี่เป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะการดีโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้เกิดขึ้นมาการนี้เราทำกันได้ช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังพูดฉลาดล้วกายังเป็นอาการดีโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นมันกระทำอวู่ที่อาการดีโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหน ไม่ว่าตอนเป็นสุขไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำจิตวัตรอะไรต่างๆมันเกิดเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะเลยทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นไนงะเรื่องที่เราไม่ปฏิบัติเดินมันไม่มีหรอมันมีเรื่องปฏิบัติเพราะนั้นผมคยไปกราบพระนาจานมัน่น ท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องอ่ะอ ม, มันต้องเนีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไปทุ่งจะไปในป่า ท, ที่ไหนจะตามเถอพระพุทธเจ้าจะตามเทศในฟังบ่อยทีเดียวด้ฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกขณะ ผมก็ไม่ใดสวนถามเรียนถามทุกปรฟังไว้แปลกเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันไอความเป็นจริงนั้นไอสิงที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนน่น่ะมันไม่เป็นของแน่นอนเราแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนก็ไม่รู้เรื่องมันมเรียบตัวยอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่ง ที่ถามถึงวัดเขื่อนนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนม่เคยไปมันเป็นยังไงเพราะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคน น, นกัฟังฟังเนี่ยก็เข้าใจแตไม่รู้ไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่เข้าใจจริงๆตรองปอีก มีอีกคนนี้มาวัดเผื่อนแล้วก็เดินออกไปโน่จะพบกันที่มาจากไหนมาจากวัดเผื่อนทีนตองนอีวัดที่มันจะยังไงแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นยางงั้นอย่างางั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ ก, ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังอืมตอนนี้ว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้อีกแล้วนีองค์ที่สามนี่ตัวตัวต้องไปอีกถามเหมือนกันอืม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 คนที่เชื่ อ, อาจากคนอื่นนั้นเนี่ยก็ได้อยู่แต่วว่าพระพุทธเจ้าไม่ปัเสศเสลิมสระเสริญที่เชื่อ้ดยตนเองเห็นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราเไปรู้เห็นตามปจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็าตามเอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดัวนั่งยิ่มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วแค่นั้นอืม ฉะนั้นการปฏิบัตินี้จึงโกงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทําตามจิตของเจ้าของอ้าวทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะจิตของเรานี่เราฝึกเราดียอย่างเป็นจิตที่ถูกต้องดีแต่ดีอย่างเป็นจิตที่ควรใช้ได้แตหรืยอย่าง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าธรรมนทร์จิตใจโกงกันข้ามกับจิตอย่าไปทําตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องโกงกันข้ามอืมบางทีมันก็เอียดต้องข้ามหัวมันไปนอย่าไปฟังมันบางทีมันกัดข้องพอที่ทำอะไรแล้วไม่ต้องกัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติโกงกันข้ามกับจิตนั่นแหละ ฉันว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มันอยาเ่เลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันแหละขัดใจก็คือมันขดัดจิตนั่นแหละเคยได้วางในฟังวาทะาของอะไรภาษาภาษาดิบุตรยังไงท่านกับท่านก็ไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลนี่ฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องเนี้ย ท่านจะเข้าไปบิณฑบาต ท, ท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นนะอไปถึงบ้านคนบางคนบกเจ้เนะไม่เอาใจใส่เถิบางคนก็มาชะนิมนเดียวขาิีมนเดียวผ่านีมน น, นั่นน่ะเนื่อยอะไม่มาหาหรอกนี่มนกี่ตัวสามสิบนาทีก็นิมนให้เย็ยนอยู่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 ให้แต่ของร้อนๆอย่าให้ของเย็นไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านเมื่อไปในสวรรคท่านอยากให้ยากโยงเตรียมมาใส่ปุ๊บเนี่ยเลี่ยนไปนะนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงคข้าสวารค์นี่ก็อยากให้เขาให้มากๆเสียด้วยเอาร้านเแยวกลับมาเลยมันต้องไปไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่นิดน้อยแล้วท่านคิดในใจของท่านแหะท่านสอนจิตของท่าน ถ้าอยากได้ก็อยากอยากได้แต่ของดีๆทางนั้นเนี่แต่ว่ายาวอาของดีให้เราเลยให้เก็บของหยาบๆนั้นแต่ความเป็นจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่ท่านสอนจิตของท่านไว้มีลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านถนั่นท่านจรงสอนจิตของท่านท่านยกจิตของท่านพ้นอะไรทั้งหลายได้อย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเล อันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านจะรู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักทุทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นเป็นอย่างนี้กิเยสมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมในหลงความว่าการปฏิบัตินั่นยาปฏิบัติตามจิตของเราใช้ได้เลย ปฏิบัติโกงกันข้ามอมย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงเนี่ยราก็ไปเชื่อคนโกหกเรื่อไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกทุกองที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไม่รู้ตัวมาเกือบตายเหมือนกัน ะอืมให้มันโกหกไปตัวดวงสิไปนี่แต่ไปโน่นไปโน่นแต่ไปนี่ไปนี่แต่ไปโน่นไปวุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยไม่รูเรื่องไปมาเราก็ขาดทุนมาด้วยวไม่ได้มีกําไรหราเสียไปไปตรงนี้ไปที่ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปที้ไปตรงนี้เลยวุ่นวายเลยเป็นบ้าอยู่นั่นแหละผลที่สุดมันก็จะห ว, วังเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบรารมีนะมั้งนั่นน่ะ มันหมดมีสายหมดสัจใจแล้วเนี่ยผมเคยมีฤทธิ์นี่นะ่ะในมากราบมากราบต้องข้อราศีขาลาศีสมัยหมดความเพียรแล้วท่านนีก็เจนเนะพระพุทธเจ้าแต่เจนพระพุทธเจ้าเราท่านทาความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชมาพรรษาสองพรรษาท่านเราทำความเพียรหมดนะผมกูแปดเหมือนกันแนละ้วท่านไปทํายังไงอืม นั่นดูสิมันบอก่หมดความเพียรถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อฟังกันไปถ้าฟังดีๆแต่พวกมัไมาพูดผิดนั่นนะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะเลยครับมันขี้เกลียดนี่มันขี้เกียดเนี่ยมันโดยว่าหมดความเพียรนะมันไล่มันหอกจะออกจากตัวไปแล้วมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความจริงความเพียรมันหมดเป็นไหมขครเว็นว่าความเพียรหมดนีื่ เี่ยมันโกหกเราถึงขนาดนี้เลยเรายัางเรายัางเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรอยู่มันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็จะเชื่อมันมันโกหกเราเรื่อยๆไปอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันนะถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ว่าไอ้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรยอยู่ที่ไหนหมดเป็นที่อยังถ้าเรามาภาวนา ย้อนไปอีกทีหนึ่งไอ้ความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกอออันนี้ความเพียรมันหมดไม่ได้เรามันจีเกียดนื่เออทุกนี่แน่อย่างนั้นไม่ให้โทษคนอื่นเรือยไปนั่แนแหละนี่เรียกว่าเราผอเราไม่รู้ตัวของเรา ไ, ไกลๆพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนายโกให้น้อมขึ้นมาฮะแม่เห็นแมวกว็น้อมขึ้นมาเห็นสุนัข ก, ก็น้อมข้ามา เป็นทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้ิ่มขมมาเลยนิ่มขมมาในใจของเราเหมือนเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้ไมเห็นสารพัดอย่างมันด้วนไปเป็นธรรมะทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราอยู่ในป่าอย่างนี้น่ะผมไห็ว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีอะไม่มีธรรมะไม่งมีธรรมะหมด ไอ้ความเป็นจริงเราข้ามมันไปเสียเราไม่ได้ปฏิบัติไอ้ความเป็นจริงนั่นบวชสามพรรษา 5, สาี 5, สา่พรรษาห้าพรรษานนัเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็มดคอนเพียนผมบอกไม่ได้ปฏิบัติห้าพรรษานั่นนะ่ะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้คนะรับเพราะความเห็นผะิดเนี่ย อย่างเราทุกตะวันวันนี้น่ะพูดถึงวันนี้น่ะที่พระที่เนที่ทุกคนทีมอยู่ปฏิบัติแต่ต่างมุ่งมาแต่วันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหมอย่างมากจะไม่เกินสามองค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอื่นเรื่อยเนี่ยนี่เรื่องในตายทางนั้นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูที่ว วันก็ทางวันนะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมาฐานคือความตายยังมีใครไม่ถึงบ้างไหมวันนี้รู้เพิ่งจะรู้สึกเมื่อถามเรนนี้เนี่ยมันคิดนย่างนี้ที่นี่ให้กรรมาฐานนั่นเตณฑ์ได้ยังไงอย่างเราปฏิบัติไม่จิดต่อกันนี่เรื่องจิตเนี่ยธุระของคนมันมี มันมีพอสมควรของมั น, นถ้าเราไม่รู้จากการประพฤติปฏิบัตินยะ่ให้รู้รอบเยเป็นโอปนาโยนอม้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวนันนะึงนะอย่างที่ผมถามวันนี้หละใครมึถึงควตายบ้างไหมวันนี้มผมเห็นว่าพูดถึงพูดจะนึกถึงควาตายนั่นน้อย น้อยผู้ทีมัลเลยนะั่นเพิ่งรู้อย่างนี้แหลผมทวงในนี้น่ะจะมากนี่จางว า, าจริงคณะอยาให้ธรรมาฐานเจริญขึ้นได้อย่างไรอื ม, มันไม่เจริญแล้วครับเดี๋ยวเราปฏิบัติผมบวชมาเกือบห้าพรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัติอืมันแค่แค่นะครับปฏิบัตินี่นะอืม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 ไม่ค right, like <t histoire> okay. ินึ่งตัวง่วงไปอะไรไปวุ่นวายทำไปตามเเพื่อนๆเขาอย่างนั้นน่ะหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัตินยมันไม่ใช่จริงผู้ประพฤตปฏิบัตินี่มันน้อยจะอยู่ในหายัญษาเนี่มันมีมากจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันน้อย มันข้าวกับราในนานนี่ยไม่ข้าวไม่นานแล้วมันกินได้เลยไหมอมไม่ด้เลยมันเกลี่ข้าวมาไว้มันไมด้เลยมันมีข้าวได้ไหมมันต้องไปหวานข้าวมันต้องไปทำกล้ามันต้องไปทำนามันต้องไปปักไปดำไปเกี่ยวไปเก่ะน่ะไปฟาดไปตูดสาระสัตอย่างยังเอาขึ้นไปเป็นยุ่งอีกยังเอาไปสีอีก ถีแล้วยังมาเาขาไปอีกไปนิ่งขไปอีกเยอะนะนั่นก็ยังไม่เสร็จนะยังเอาสปติดไปกล่องเข้าไปอีกเยอะเรายังเอามาเชี่ยวอีกไม่จบเชี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จเดี๋ยวยังกลืนขบไปอีกอ่าสิตรงไหนนั่นจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช่ได้นะ่ะมันมีที่ครั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของเนี่ย น, น่ยนะมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร่อน มันจะเป็นอยู่งั้นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติอืมเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองของมันจระดับตาเรียนตาอะไรของมันก็เป็นของมันเยู่อยงนั้นคือมันแก้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่เรามันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโทตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโทคือความรู้รอบ ฉะนั้นจรงเราคํานี้มาบริกรรมมาพุถุปุถุปุถุบางคนก็ไปโดยถูอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่าเนี่ยในความเป็นจริงเรื่องคําบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แตกกอะไรมากมายครับทำสิ่งทเราให้สงบเท่านั้นโดยทำดีทีนั่นโดยทำดีทีนี่มันต้องมีการละทีครับคนปฏิบัตินมันต้องมีการละถ้าทําแล้วมันต้องมีการละทีครับมีการละ เรามองเห็นเลยมันมีตานละการปฏิบัตินีมันต้องมีตารละมันต้องเติมไปมันจะต้องแปละเราคือเหมือนกันเราจะนั่งอยู่้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่มันเป็นอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็มอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ อฉะนั้นก็ดังโคลนก็บทธรรมนักนี่สอนธมรมะหรือสอนวิปัสน า, นาผมแย ก, ยกเนื้อด้ยเรือออกไปได้หรอกทั้งคมอยู่ทางไหนสันที่ไหนมีไหอมอ ย, ยกคมสันออกจากกันได้มั้ยผมแยกให้ได้อืมจมับเนื้อด้วยหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลย จะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นไรพดเรื่องกันอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้แบบนี้ทำสมถะแบบนี้ทำมีปัสจนาอันนี้คนไม่ไปร้เรื่องาการความรจริงมันต้องไปพร้อมกันมันต้องไปพร้อมกันมันเป็นไรพศซึ่งกันเดีกันศีลกด็ดีสมาธิกด็ดีปัญญากด็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมักคือการกระทำนี้ สำมาทุกทีความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบพลายเท่าเนี้แต่ความดำดิมันก็ชอบนะก <c oughs> ารทําการงานมันก็ทอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอ่ะหมดมรรคทั้งแต่ตะการมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่มันไม่หมดมัไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันก็ไปขนาดนี้ทุกอย่าง ดำดิชอบขนาดนี้ซึ่งหนึ่งไปหนึ่งไปหรือยี้ไ ป, ไปามาเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดพร้อมกันเลยมดตา่างกันไปอย่างนี้เหนชอบเนี่ยดำดิก็ชอบนาจาก็ชอบการงานก็นชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวแนั้นนี่นีน่นาได้ทำมสมาธิคือความสงบแล้วนี่เลวอ่ะนะ ถ้าไม่มีปัญญามันเดินไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เรื่องอีู่แล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินีเแล้วผม น, นิดหน่อปัญญามาก่อนเลยมาก่อนศีลมาก่อนสมาธิถ้าปัญญาไม่มีเราสาศิตไม่ได้ทำสมาธิไม่ถูกนี่ถ้าเราพูดตามทางภาวนาของเราเนะ่ยมันตรงมาอย่างนี้แต่ทางปฏิบัติเขาจ่องศีลจ่องสมาธิจ่องปัญญา เออเอาทานหลังถ้าเรามาทํากันจริงๆแลต่ผมว่าปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มาเรษาสาสินไม่ได้ไม่ได้เรื่องความจิตสงบไม่ได้ไม่ไดูเรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนมี่มาพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติแล้วซึ่งมันเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นอืม ฉะนั้ทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปผมจะเอาความดีใครให้พวกท่านทั้งหลายนีได้ให้ท่านดู เ, อเหอะให้ท่านดูไปนัานๆดูไปทำไปดูปดไปเจ็บไปเฮไ่ค่อยเจ็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันมันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติ ตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูเละยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจจะมึนสู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยตปรียบเทียบไปฟังทุกทุกคนเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างคิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงจิตก็เลิกมันอยถูกก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงน้ำเงินมันต่อไปมันจะไปตรงไงหะมันต้องปฏิบัติเรด้วยไปอย่างการปฏิบัติ ที่ว่าปฏิบัตินั่นถ้าไม่เป็นเชนนั้นมันกว็วิบัติมันเป็นวิบัติก็บทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างคีนาไปทุกอย่างเกี่ยกวกับการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั้นเนอะที่ผมทําไปนี้หรือพูดไปนี้จะพึ่งห า, าใจว่ามันถูกแต่พึ่งยาพึ่งหาใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จกผิดจะถูก ถ้าเราไม่รู้จผิดจะถูกลรวก็สบายกันนะสิจะภาวนาอีกไง ม, มันหมด้วมันไม่เสียแน่นี่นะคนเรียนทำผิดคนเรียนทำถูกอ ย, อย่าเพิ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าเพิ่งเชื่อมันเถอครับฟังมันไว้เพราะตัวเราอยงไม่รู้จะถูกหรือผิดจะไปดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นกรมธเหมอนนยรงว่ามันมนะ ทำเหมือนตัวนึงว่าโคมันกินหญ้าก็จับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยโคมันกินหญ้าก็จับมันมาปล่อยใสสนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็ไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นศาสตรอย่างอีเวอรแต่นนั่นแหละ ที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาอะไรหมดความหมายขนาด น, น, นี้เรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็พิ่งเข้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติมาเลิกวันนันนี้เนี่ย เรื่องคนอื่นยกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาปะพลกับเรื่องของเราเป็นคนในเรื่องกันดีเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเราเป็นคนในเรื่องเรื่องคนอื่นก็ของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงพวาเราเป็นทุกยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจึงเราเป็นทุกอยู่ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ดูเรื่องอะไรมีเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ เรื่องคนอืน่นแต่คนอื่นเขาทำเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไป่ขโมยกลัวอันนี้มันจบแบบเช่นกันแต่ <c oughs> ว่าคนง่ายริษลาดจะดู อ, อเองเถอะนี่ยืมไม่ได้เพราะเรื่องคนอืน่นอย่างนี้ก็มียืนไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีอย่านั้น นักปฏิบัติก็จงคิดอย่างนี้ถารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะไม่รู้นะอืมศักท์ว่านั้นมันผิดนีมันถูกเท่านั้นแบ่พูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราต้องศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมอ อยเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเราสมาใจใจเราให้มันเดือร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องสำหรับปัญญาของเราเหมือนกันอืไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีนราเลยศึกษาเราจะดูมันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามัน แกเราไม่พึ่งเข้าผ ท, ทางไหนทางนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เ<ม>พราเรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหจริงที่ในคนโกรธทั้มมันโกรธขึ้นอ่ะจริงที่ใ น, นโลกทำไมมั น, น, นมโลกขึ้นเลยหลวงพ่อพระเจ้าจะบอกให้ละทําไมไม่ละละ่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเราเนี่ยควรเชื่อมันจรงปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลย พอะาะปฏิบัติตรงกันข้ามเราเลยจะแยกจะนอกจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นปจิตคณะ อ, นนอันนี้มันเป็นอาการจิตคณะอันนี้มันเป็นสิรอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ควรละสิ่งนี้ควรบาเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆโดยบเมื่อเรารู้ข้ามนึงข้ามนึมงมันก็หายไปแล้ว เสนอตัวไม่ขึ้ น, ผ, นผ่านไปผ่านไปผ่านไปดิ้พิ้ดฉะนั้นการปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกในขณะที่มันสูงละเอยียดไปตรงนั้นไม่จะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกจะได้เราเพิ่งเรียนมันเท่านั้นนะเราดูมัน น, น, นี่แล้วการรักษาศีล การปฏิบัติถิ่นี้มันไปจบยุทธีตรงไหนมันตไปจบ ท, ที่ตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลิกมันอืมไม่สงสัยไม่สงสัยตายเลิกกลัวอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดเไปทีเดียวอืในตรงนู้ทั้งส ก, กายจีดกเราในนี้ทั้งแปดหมื่นจีธรรมะขันเรา รู้วมันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะออืสิ่งที่มันผิดนี่เลยดีกว่ากัวอายกลั ว, ม, ลวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจําใจของเราอยู่เชื่อมีถ้าหากว่ามีอายมีกลัวประจําใจเราอยู่แหละแต่ความระมัดระวังก็เกิดขึ้นมาความเผลเรอยอย่างอื่นนั้นก็นไม่มีนี่ อันนี้มันบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เดียกว่าเราปฏิบัติอฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกขอนิสัยคืออะไรอืให้ขอนิสัยเ่อหญ้าพึ่งขอนิสัยง่ายๆ่ายจไปดูด้วยอย่างพิจารณาดีๆถ้าเรู้เราขอนิสัยทูนิสัยเขอขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ย น, ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อย คนมากมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยอืมคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบแล้วครับคนเคยพกคือโมคณะเรียนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาใสาในวันนี้ในรายวันมาแล้วตอนนี้เพิ่กันมาดีดีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี้ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาด หลายอย่างบ้างก็อยู่กล ย, ยุิธตบาทนะแสแวนี้อยู่กลายฝ้าฝนก็ไม่ไปดีผู้คนก็มาสือุดมแต่ประตามเทะไม่รวมัวเหมือนกันขอจะเราปฏิบัติยากโยมทห้นเขาดีใจเดืเ่อเกิอนที่ได้ถวายอาหารพระผู้ประพฤตปฏิบัตินี้จะหมดมากงดน้อยเขาก็ไม่ว่าเนี่ยเขาดีใจเขา เราเป็นเนื้อนาบุญสองโลกอย่างนั้นฉะนั้นอยนเัทนี้ ท, นน ท, ทีนี้ได้เกิดปัญหาแล้วผมจะทำไว้ทีอยุ่งเรมาพัฒนาใหม่ยีนีควายิ่งให่ขึ้นนิดหน่อยทางนาททางเรียนทางพะที่มาอยู่ผมอยากจะทำถนนกันในเกาะนี้เพื่อกันไฟมันเป็นภัยมากเหลือเกินครับ ในเกาอนี้ผมนินว่าจะเป็นชีวิมงกลมเก่พวกผู้ประกติปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายามที่จะขอแรงพระเนรเราเป็นเวลาช่วยกันไปกี่ทำได้อพวกเ น, นพวกหน้าผีขุดดินฟันไม้ละไรก็ทำไปกี่ถ้าเราทำ ไ, ไม่ได้ไม่ได้เราก็เขียดินเขียดหญ้าเขียดก้อนไม้อะไรเต็มไปไปทำาช่นนี้ เพื่อให้เป็นที่อยู่ของเรให้สะดวกแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอืมที่ผมทําอะไรต่างๆผมก็ทําไม่เสื่อมในพวกพระเจ้าพระทงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้แค่นั้นใท่านทั้งหลายมีสติอย่าพึงว่าทํางานไม่ได้ปฏิบัติจะไปใช้จะิดอย่างนั้นครับทางานแต่คือการปฏิบัติถ้าเร า, าคิดคิดว่าทําไม่ ทำงานไม่เป็ปฏิบัตินั้นยังคิดผิดครับต้องไปคิดมาอีกครับให้มันรู้จักว่าทำงานนั้นคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่มันติดอยู่ทุกขณะไม่มีที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่งู่ที่ใช้ก็เลยปฏิบัติไปที่ไหน่น อ, ยอยู่ปฏิบัติ